ตอนเย็ยนมันก็จะมีเสียงนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีแต่ใจมีแต่ที่จะบอกกระสอ น, นอื่นมันก็จะมีนะอันนี้ไม่เคยเป็นอะไรกับาดลายแล้วนี่คือวัดป่าสุโกโตโอ๋อ อ, อคนกณะภาพพิสุจ์สงมีศรัทธาออกบวชได้มาอยู่ร่วมกันสำเนีน้อยแห่ชีตลอดทั้งบาสุกบาจิกาสาธุชนทุกทุกท่านนี <c> ่ <oughs> คำว่าบัดป่าสุโโตเด็ยก็มีความหมายนะ วัดคือให้ได้แบบในแผนง <c oughs> ั้นเราก็ก่อสร้างต้องวัดให้ได้แบบได้แผนตั้งแต่ต้นทังที่สุดคือยอดส<อ>ูงสุดต้องมีแบบมีแผนไม่จากให้ได้เบื้องต้นเสียก่อนงั้นเราสร้างบ้านสร้างเรือน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 ตะโกนร้องเรียนเรียกร้องจงมาดูที่เราสวดสาธยายพระสูตร ธ, ธ, ธรรมะธรรมะขาตธรรมาธรรมานพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วจงมาดูพระเจ้าก็เรียก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 เป็นต่างๆกันไปถ้ามาอยู่ในทำไม่ในอานเดียวกันเลยไม่มีสติเป็นอันเดียวกันเลยอาศจรรย์ปัจจนนี่นะทําไมนะ่ในพระเจ้าจึงตัดไว้ที่จริงๆถ้าเราหลงไม่ได้แบบไม่ได้วัดได้แบบคือไม่หลงถ้าหลัวัดแล้วมันทุกไม่ได้แบบ ถ้าไม่ทุกมันได้แบบดีอะไรก็ตามมันจะมีผิดมีถูกอย่าเท่าสอทยายพัะ ส, สูตรซ้อมมาทิทิคือความเห็นชอบเป็นอย่างใดโลกเห็นทุกโฟกอบทุกมันเห็นชอบ <c oughs> ได้แบบ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 ทุกไหมเป็นผู้ทุกเป็นบรรทุกได้แบบถ้าเห็นมันมันไม่มันได้แบบถ้าเป็นไม่ได้แบบแช่ได้หัวเลาะความทุกได้ถ้าเห็นน่ะถ้าเป็นหัวไปออกหัวลาะไปออกถ้าเห็นหัวลาอได้มันคนละอันกับเราเพราะเราเห็นถ้าเราเป็นเป็นคนอันเดียวกันเลยเป็นตัวเป็นจนไปเลย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 เอามาเป็นชีวิตเราเลยเอาเป็นการศึกษาไปเลยแต่ทำแต่ถ้าเป็นช่างก็ทำไม่เป็นเป็นวัดให้เป็นระดับน้ำำําทั้งไันได้ฉากกันหน่งต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นก็ทำไมได้ทำแล้วก็เชื่อมไปได้พังเสียหายชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าประมาทอันหลงก็อย่าประมาท นะถ้าจะเป็นช่างต้องกระโดดลงไปใส่ตต่ช่างช่างช่างกับช่างไม่ให้มาเหมือนกันนะเป็นภาษาอีสานพูดไม่ก่อยชัดเป็นช่างเป็นเสือ อ่าลวงตาก็าอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่เป็นพานหลงเป็นได้เป็นได้ช่องแจมดูแลเป็นกรรมกรเป็นได้หรือซ่วมได้สร้างห้องน้ําไดะตักน้าให้คนมาใช้ห้องน้ําก็ได้เป็นกรรมกร ทำไงนานมาแล้วนี่คนมาวัดไม่มีใคฟวาเขาจะตื่นขึ้นมาก็ใช้น้ำเจ่ไนหรน่น้ำด้านมามีนะเราต้องตื่นก่อนตัวไปตักน้ำานีรีบเกินไปกลัวเขาจะตื่นตาเห็นเรา <c oughs> รีบเดินจากสกาละไก่ลงไปห้วยแม่น้องจัดๆๆลงไปไปเจอกวงไม่รู้ก่อน มันกำลังเดินมาล้วก็ไม่เห็นหมันไปก็ต้องผ่านตรงกลางพอดีทั้งลู ก, กจะวิ่งหาแม่ทั้ง แ, แม่ก็จะวิ่งหาลูกเหมือนมันจะมาชนเราเรากสนุกเลยมันก็เรารีบกันกันตักน้ำตักน้ําใส่ห้องน้ําเต็มหมดแล้วก็เช่วยตัตื่นขึ้นมาเขาช่ห้องน้ําสบายเป็นนักบอได้นะ <c oughs> เ, เป็นกรรมกรได้เป็นอาจารย์ได้บางทีก็นั่งสอนอย่างนี้ล้วก็ต้องก็ก็ให้เป็นเพราะเราจะต้องเป็นทุกอย่างถ้าทายเป็นหน้โบราณท่านว่าทุกระเทือนก็สายอาจารย์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 สู้สู้ตุกอยอกไม่ค่อยกลัวนี่คือสแสดงฉากเหมือนพระเอกแต่เป็นพระเอกได้ต้องสู้เป็นดังเอกแต่ต้องสู้ไม่มีใครจะจะจะรอนเดินอยู่บนกองกุหลาบเสมอต้องผ่านทานเร่งผ่านลงต้องสู้ทานทุกต้องสู้ ทานความโกรธต้องสู้ทานความรักอะไรอาวรณ์ต้องสู้าติดเสือต้องมีหลายไม่ใช่กลัวเติชาต้างต้องต่อสู้นั่นเอง ก, กรรมกรร้านโลดูแลรักษารักษาเป็นพัน ล, ลไว้ให้พวกเรานอนมาแล้วจนมามีเพื่อน มางอกงามขึ้นมากๆช่วงอาจารย์ไปสอนอาจารย์ต้องถือนว่าอยู่ดีวัดนี้แต่ก็อนเงเทียทีเหมือนกันแต่เราสู้เราเป็นเสือต้องอยู่ในดงในป่าไม่หนีไปไหนะนี่พวเราก็ <c oughs> นันก็ผ่านมาเลยจริงภาษาอะไรความหลงอ ะ, อะไรที่กลัวอะไร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 ทานหลงทางทุกมันเิดจากเลยเห็นช่องเห็นทางจำมาทิติเห็นช่อ ง, งจริงได้เห็นทุกอันดีแล้วจะได้รู้จักเรื่องของคนเห็นเหตุเกิดทุกนอนเห็นหนทางออกทุกมาพร้อมกันแื่แล้วมันหลง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 มันเป็นโจทดน้อยตกเป็นจำเลยเป็นจำเลยความหลงนอนเท่าไรเป็นจำเลยความทุกข์นอนเท่าไรเป็นจำเลยความโกรธนอนเท่าไหรเป็นจำเลยความลกความชังนานเท่าไรจะต้องเป็นอยู่แล้วเหนือต้องไม่ต้องเป็นรลบกโคเลับความอยู่เหมือนคนเป็นจำเลยถูกปิดคุกลางอยู่เราต้องไปเิดหรอเรื่องนี้มันใช่เกิดจากเจเายัง เราจึงต้อง <c oughs> เป็นชาติเสือเจ้าหนอสู้เจ้าหนอ <c oughs> บางทีอารมณ์ความคิดก็กลัวแล้วช <c oughs> ิดขึ้นมาขึานตาไหลี่ขึ้นมานอนไม่รับขึ้นมาคืนเขาไม่ลงแค่หนีืคือชีวิตเราไม่ใช่เลยแต่เฉพาะตัวก็เอาแรหลอดอยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานพัญญาสามีพี่น้อง การงานต่างๆเราก็เป็นนักข่บบาวเรายิ่งพอเราเป็นบอกไห้วานจ <c oughs> ริงทำมาไม่มีใครนอนอยู่เฉยต้องต้องมีความพอรอีกเหยียบมันล่าไปเลยความยากความง่ายความพอใจไม่พอใจไม่ต้องมีในโลกหนึ่งมันจะเรียบไป ถ้าเราสู้ตลอดลราจึงไม่มีวิธีใดกมาเข้าสู่ทาไม่ไหนมันเป็นจริงไม่ใช่ฝันไม่จะเพ้อฝันนะเอากายเป็นธราลาเอาใจเปาา็นธรามล่ะมันจะตีต่อไปเห็นมันถ้าเห็นเรายิ้มหัวละความโกรธอะไความทุกข์หัวรอดอะไรเอ๊ใช้ี่ก็ทุกข์เลยเน่ย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 โฟเจอคืออะไรแปลให้ฟังหน่อยหน่อยผู้เจอคือพูดยังไงฮะใครตอบเรายกมาขึ้นเลยผู้เจอมาแต่ใจไสขี้มาแต่ทังหลังขีไปใสี่ไปทั้งนาไม่ได้ความเลยมาแต่สยมาแต่บัดปลาสุกุตุฝนตกแห้งโม ปอดิปมเบิร์ไม่ได้ความฝนตกแรกมาล่ะปอดิปมเบิร์เพ้อเจอ้อไม่ได้ความเลยไม่มีประโยชน์เนี่ยลั่วของเรามีจริงๆมันลอกได้ถ้าใครล่อมรั่วไปได้เอาไปขังไว้ก่อนติดคุกติดตลาดมันไม่มันไม่มีขอบเขดแต่กระจาต่อผู้คน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 เปลี่ยนหลงไม่หลงนี่ถูกต้องที่สุดเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกถูกต้องที่สุดเปลี่ยนโกรธมปนไม่โกรธ ถ, ถูกต้องที่สุดนี่ความถูกต้องไม่ต้องไปถามใครถ้าเราทำาอบนี้เราก็เป็นคาตอบเลยเป็นปัด จ, จัดตัไม่มีคาถามเราหลงต้องไปถามใครไหมเปลี่ยนหลงเป็นลู้เราต้องถามใครไหมเราหลงชันฉันหมดหรือ ย, อยัง ไม่เป็นคำานาเป็นปัจจตังของเราเองน่าจะาขยันเป็นโบกันกรรมขึ้นมาจริงๆเป็นบ้าเป็นผลขึ้นมาจริงๆนะเหรอเสียงก็ไม่มีเป็นเนาะมีอะไรจะญีกก่กุ่นก็เพิ่งมาจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นตั้งนานอยู่นี่เกือบสาสิบปีแล้ว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 เขาเรียนปัญญาอยู่ที่จุฬาเรียนพุทธศาสนาว่าถ้าจะเรียนทฤษฎียอย่างเดียวไปพ่พอต้องปฏิบัติต้องไปหาอาจารย์คําเขียนเขาเรียกมาเขาอยู่ด้วยกันมาถึงสามสนีเ้ยนี่ผู้ภาษาไทยแล้วอ่ะเออไปทำไมอยู่นานแต่พูดอะไรซะหน่อยนะโอ้ไม่ไหวแล้วไมว่ไหวแล้ว ครัขอการอุปกร์ครับเชิญอุปรณยัดยมกมวางก็พูดกันแล้วก็็รรมาก็คิดว่าเมื่อวานก็บอกว่าคนที่เป็นเป็นจาดี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 ไม่ใช่ความสุขความสุขเชั่วๆกล่าวจากด้านโนกรูบรถเสียงกลิ่นอะไรก็ก็ได้เราก็ได้มีรู้สึกความสุขกัดก็ได้แต่ว่าไม่ถาวนแต่ว่าความสุขที่เกิดจากท้านหนนี้ก็ถาวนได้ยิน ล้วก็ปฏิบัติก็ชีวิตก็เป็นได้ละเอียดขึ้นมอือก อ, อนี้ก็หยาบก็สินอะไรกระทบกับหูดูว่าตาจมูกยิ่งกับใจก็ ก, ก็ทุกข์ง่ายเกิดความโกรธก็ง่าย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 ก็ลับร ถ, รถก็ ก, ก็แก่งขึ้นอาจจะมีการระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีฝีมือที่สอนที่รนเรียนสอนดีก็ลับรถก็ไม่ก็รถจังกันแต่ว่ายังไม่พอต่อการ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 ใหญ่ขึ้นตายได้ก็คิดว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นที่ญี่ปุ่นยันเดียวมนันจะเหมือนไทยก็พัฒนาฐานด้านวัตถุงานเงินอะไรก็มา ก, มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นนัตราของการ ต, ตายก็ก็มากขึ้นคนที่เป็นโรคจิตเข้ารงพยาบาล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 นี่จิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เผล อ, ปลอไปก็คิดคิดหนักนนคเครียดแล้วก็ค่อยๆสารเรื่อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะ ต, ตายกันได้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 ก็หลวงพอก็บอกบ่อยว่าก็หิวข้าวก็ขอบคุณอ่านี่ถ้าเร า, เราไม่หิวกินไม่ได้ตายก็ได้ ก, ไดก็กินข้าวก็เป็นธรรมชาตาิหิวข้าวเป็นธรรมชาติก็น่าจะบอกขอบคุณอันนี้ก็ใช่จริงเรามาจากอ่า รู้สึกว่าถ้าเวทนาทุกข์ก็เราก็อยากหนีอยากทำลายอยากทะเลาะสู้แต่ว่าเป็นวิธีการฉันรสตินี้ก็ไม่ได้เป็นการสู้การหนีการเก็บกด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 ลืมตัวเผอตัวไปนิดนึงก็เราก็โอกาสได้เห็นความงดมิดก็ได้หรือว่าความกรดก็ได้อเาอาเผาถือก็เป็นอย่างนี้อาการมันก็เกิดขึ้นกรอดก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ถ้าเราเห็นมันชัดก็เป็นปัญญาได้เราไม่ต้น ว่าด่าตัวเองว่าเออตัวเสียสติไม่มันสติไม่ได้ม่ได้อะไรก็ไม่ต้องบอกก็นี่แหละก็เราเห็นแล้วก็อ้เป็นอย่างนี้มีตนที่มีสติอ้ไม่ได้เออความกรอดไม่ได้เกิดขึ้นเอาแต่ว่าเดิมสติเผลอไปนิดนึงก็อ้อ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 ไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่าเราก็รู้แม้ว่าเถอไปรู้สึกทุกข์แต่ว่าเราก็กลับมาได้เราก็มีบ้านอยู่เราก็รู้จกักทางที่จะกลับบ้านถ้าไม่รู้ก็ไปไหนก็ไปเรื่อยๆเป็นธาตของ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 อุจิตาก็เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราก็ข อ, ขอให้ทุกๆ ท, ท่านนะครับได้ปฏิบัติให้ดีแล้วก็ได้เจริญพัฒนาจิตใจให้ยิ่งยินมากขึ้นครับก็เปลี่ยนจ้ดเช่นี้นะครับของลครับ